สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Lo-cast นะคะดิฉันแพนกี้ 2 คนมีดิฉันแพนกี้แล้วก็คุณแม่นะคะสวัสดี เหตุผลที่เราทํารายการนี้ขึ้นมานะคะก็เพราะตัวแพนกี้เราต้องแทนตัวว่าอะไรดีคุณแม่แพนกี้หรือตัวกับเพื่อน 2, <ank> 2> <ank> คนคือพี่อาบาลแล้วก็พี่ป๋อง ชนะอะไรเนี่ยใช่ๆๆพี่เป่าแปลก็คือคนคนที่ชนะรายอ๋อเพราะโอเคเรา กฎหมายก็ดีนะมันแค่จะไม่ได้คิด 3 คนแล้วว่า รายการเค้าดีรายการเค้าดีจริงๆเราเราต้องสนับสนุนเค้าพี่เออเออรู้เออแล้วคุณๆๆใช่เป็นยานอนหลับได้อย่างดีแต่รายการอ่าใช่ เพราะว่าตอนโอเคแล้วคุณแม่ล่ะคุณแม่จบรัฐศาสตร์รามคําแหงค่ะรุ่นรุ่นอะไรโอ้เก่ารุ่น okay. 11 แน่ใจจําได้ยังก็จริง แต่ว่าเรียนอยากเรียนไงอยากเรียนอยากเรียนๆด้วยกลัวก็เต็มที่ๆแล้ว 3 ปีครึ่งแล้วแต่ว่าแต่ว่าใช่เพื่อนเราก็บอก 4 ปีจบพร้อมเพื่อนแต่เพลินว่าก็มีปีเออใช่ ให้เป็นเพื่อนมีเพื่อนๆหลายคนไงก็เราก็อยู่ใช่ไปลงนิติศาสตร์เพิ่มเติมใช่มั้ยกล่าวว่าปีนี้ มีความรู้ด้านกฎหมายเนี่ยก็พอประมาณแต่ก็ไม่แค่ 83 กก. นี่แหละเท่าๆกับคุณแม่เนี่ยอ๋อๆโอเคหนัก อ่าก็รูปแบบรายการก็จะเป็นเกี่ยวกับกฎหมายนะคะแต่ว่าด้วยความที่ตัวเนี่ยยังคงเรียนอยู่เด็กๆอะไรอย่าง เล่าว่านิติศาสตร์มันเรียนยังไงอือหืออ่ามันจะได้ไปเป็นฐานความปี 1, 1> เค้าเรียนอะไร ในระเบบเอ่อระบบการเรียนของธรรมศาสตร์เพราะเราเรียนธรรมศาสตร์อือหือแต่อืมแต่ว่าตอนนี้ วิชานิติศาสตร์หรือสนใจในกฎหมายมามาฟังกันแล้วก็แล้วก็อาจจะเป็นแหล่งความรู้ให้น้อง หรืออาจารย์คนเนี้ยบรรยายยังไงก็ไม่รู้เรื่องแสดงว่าแฟงกี้จะถือโอกาสติวประเด็นตัวด้วยใช่มั้ยอ่าใช่จะเป็นประมาณนั้นเพื่อตัวให้กับน้องๆหรือเอ่อผู้คนทั่วไปที่เค้า ว่าบางทีน้องอาจจะไม่เข้าอืมอืมไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องบทเรียนเนื่อง กรณีศึกษาคดีศึกษาเออรู้ๆๆอันนี้เรื่องคําว่ากรณีศึกษานี่รู้อืมก็โอเคแล้ววัน วันนี้เราก็อินโทไว้วันนี้อินโทอินโทไว้ใจนาทีเที่ยงวันนี้เราคุยกันเพื่อการเป็นการเปิดเปิดรายการเปิดลอคาสต์ของเราก่อนใช่มั้ยลอคาสต์อืมลอคาสต์หมายถึงอะไรเนี่ยลอคาสต์ก็อย่างที่บอกซึ่ง เป็นแอปพลิเคชันนะคะ Apple ต่างๆอือฮึก็สามารถโหลดฟังแล้วก็ไว้ตามแบบไงอ่ะเวลาเดินทางก็สามารถ แต่ตอนนี้หนูไปถามเพื่อนไม่คุณแม่หนูไปคุยกับเพื่อนมาแล้วอือฮึแล้วมีเพื่อนคนนึงเค้าเก่งคมแล้วก็คุยเค้าเรื่องบล็อกเลยเนี่ยถ้าจะเอาบล็อกนี้ไปก่อนเนี่ยอือรอเรา ส่งอ่ะมีแฟนเพจด้วยเราทําแฟนเพจด้วยการกดไลค์กดเยอะเพราะว่าคุณแม่จบนิดาเดี๋ยวที่ ม. สถาบันเอ่อสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์นิดาไม่ใช่คีที่ไม่ใช่คี ครอบครัวเราครอบครัวเราก็เป็นครอบครัวไม่ใช่ครอบครัวข่าว 3 นะเอ้า 3 ค่ะครอบครัวเราค่อนข้าง เพราะว่าเค้าอาจจะห่วงกันเองก็ได้นะว่า 2 คนเนี้ยเค้าจะห่วงกันเนี่ย ก็เป็นเป็นสำนักงานทนายความเราจะไม่บอกชื่อเพราะเดี๋ยวก็ปรึกษาเรามาได้ปรึกษาได้ปรึกษาได้ถึง เอ่อเป็นนักกีฬาค่ะที่บอกมีความหลายเพราะว่าพี่เราถ่ายเป็นนักกีฬาหลากคือคือจบเนี่ยแต่ตอนนี้ต่อโทร จุดมุ่งหมายสูงสุดของเขาเนี่ยคือเขาต้องการเรียนอะไรกันแน่แต่ว่าโอเคเขาเป็นนักกีฬาเนาะอ่าใช่เป็นนักกีฬาเขาก็เรียนอะไรเรียนอะไรไม่รู้แหละแต่โทรไปแล้วพี่สาวก็โทรไปแล้วพ่อ ถ้าอยากเป็นลูกแบบเค้าเรียกว่าอะไรนะลูกที่เอ่อลําบากไม่ค่ะไม่เพียงแต่ว่าไม่ลําบากเพียงแต่ว่าเอ่อ ฟังๆฟังพูดไปแล้วใช่แต่ว่าที่เราเวลาแชทก็บอกไปแล้วโอเควันนี้เราเราซึ่งอ่าวัน ทำให้มันเป็นรูปเป็นล่างมากขึ้นก็อยากจะขอ ค่อยทําเป็นได้คือ 3,000 คือเราจะไปเออมันมันไม่นะไม่ถ้าต่อ 1 คนหรือเปล่าต่อ 1 คนแล้ว คนนึงเนี่ยกดไลค์หลายๆครั้งไม่ไม่ไม่นับใช่มั้ยไม่ใช่คุณแม่ปุ๊บเนี่ยมันก็จะขึ้นว่าไลค์ถ้าเราไปกดอีกรอบนึงมันจะเป็นอันไลค์แล้วถ้าเรากดอีกรอบนึงเรานึก ทำไปอย่างนั้นแหละถ้ามีโอกาสคุณทําก็คิดว่ารายการๆคนอย่างที่เราตั้งจุดประสงค์ไว้มันมันก็อืมเป็นเอ่อ ให้ความรู้ด้านกฎหมายของกับคนทั่วไปไม่รู้เลยว่าใน มาวู้คุยเรื่องประเด็นนี้กันดีมั้ยอือหือเรื่องเรื่องเรื่องคนที่ทําทํา หาข้อยุติตรงไหนได้อือเอ่อคืออย่างงี้นะเนี่ยเคยมีการถกเถียงกันในชั้นเรียนภาษาไทยอือฮึไม่ใช่ แม่ทำผิดกฎหมายแค่ทำในสิ่งที่กฎหมายห้ามอือหือใช่มั้ยใช่ครูก็ไม่เข้าใจนี่เข้าใจครูแม่ก็ไม่เข้าใจครูแม่จบปริญญาโทนะแต่ครูอือถ้าอ่ะอือเค้าก็ <c oughs> เคยตัวอย่างว่ากฎหมายบางคือคือไม่มีอ่ะคือทําทําแล้วมีการห้ามแต่ไม่มีโทษต้องไม่เข้าใจ อ๋อเออล้อเล่นล้อเล่นคือครูไม่คือว่าอาจจะเข้าใจผิดๆก็ได้สิ่งที่เขาบอกเนี่ยคือว่าเช่น อันนี้อันนี้คือเค้ายกตัวอย่างมานะเช่นการจดทะเบียนสมรสซ้อนอือการจดทะเบียนสมรสซ้อนตามกฎแล้วป้าเนี่ยแอบเอ้ยไปจดซ้อนอ้าวไปจด ไปจดซ้อนไปจดซ้อนไปจดกับผู้หญิงอีกคนใช่การจดทะเบียนระหว่างป้าป๋า 3 คนนั้นเนี่ยอือมันจะเนี่ยมีคนเข้ามีคนมีคนม้าอือฟังมาด้วยมีคนไม่ทําในสิ่งที่กฎหมายห้ามใช่ ทำในสิ่งที่กฎหมายห้ามผมไม่ได้ทําผิดกฎหมายผมแค่ทําในอ่ะผมไปจดทะเบียนซ้อนผมไม่ได้ผิดใช่แต่ ในประเด็นนี้ถ้าความรู้สึกหนูพอฟังเค้าอธิบายแล้วเนี่ยอืมหนูว่ามันอืมเพราะว่าในอืมว่าแต่เนี่ยผลทางกฎหมายและไม่ใช่ว่าเราจะต้องดูที่ว่ามันมันโดนทําอืมคือเราเห็นใช่มั้ย เพราะฉะนั้นเนี่ยอืมกันนี่เขาบอกว่าผมไม่ได้ทําในสิ่งที่ผิดกฎหมายผมก็ทําในสิ่งที่กฎหมายครับคุณแม่คุณแม่ อือการผิดก็คือเค้าห้ามทําคือเค้าห้ามไปฆ่าคนเค้า เขาบอกว่าผมไม่ได้ทําผิดกฎหมายผมอืมหรือว่าเขาอืมเวลาเขาเขียนอืมผิดตามมาตรานี้อืมคือคือเขาจะบอกเลยว่า มีคำห้ามมั้ยเขาไม่มีคําว่าการจดทะเบียนหรือเมื่อไหร่ที่จดทะเบียนซ้อนอืมแต่ว่าอืมเนื่องจากอืมมัน คือเค้าคงตีความอย่างงี้ว่ามันไม่ได้ผิดกฎหมายแต่เรามีความรู้สึกใช่ใช่ใช่การ คือกฎหมายเนี่ยมันเล่นคําเก่งกันๆเดี๋ยวในเทปต่อไปเนี่ยเราจะต้องมาสอนการตีความกันว่ามันมี ทำผิดใช่อืมเราคิดว่าเราต้องหาข้อเพื่อจะอธิบายให้แม่ฟังให้แม่เข้าใจว่าแม่ไม่เข้าใจหรอกแม่กําลังเข้าใจว่ายังไงอืมยังไงยังไง ความผิดนั้นน่ะกฎหมายห้ามน่ะเค้าไม่ได้ระวางโทษเท่านั้นเอง 2 คน 3 คนผัวเมีย ถ้าเราจะไปบังคับให้เอาเค้าติดคุกเนี่ยในอาญาว่าเราจะมาทํากรณีนี้มันก็มันก็ไม่มันก็ไม่มันก็ควรว่ามันเป็นความผิดส่วนบุคคลของเค้ามันเป็นเรื่อง 3 คนผัวเมียเค้าเค้าอืมเกิดตรงนั้นเค้าไม่ได้ทุบตีเค้าไม่ได้ชกต่อยก็ไม่ฆ่ากันเค้าไม่ไม่ได้ คน 2 คนคนคน 3 คนน่ะมันเป็นจิตใจของเค้าแหละอ่ะคือมันไม่คน 3 คนผัวเมียเค้าอ่ะถ้าเค้าไม่ยอมรับกันมันก็ ที่เข้าไปจดทะเบียนสมรสด้วยกันซ้อนแล้วเนี่ยเค้าใช่ คึคึคึคือสมัยก่อนเนี่ยมันมีเรื่องนี้เยอะมากเรื่องอือมันมีโอกาสซ้อนกันได้ง่ายมากมันมีมีมีเรื่องก่อน เพื่อใช่มันจะมีผลกับมรดกมันจะมีผลเลยเรื่องมรดกๆเดียวกัน 3 คนผัวเมียใช่มั้ยมันก็ไม่เกี่ยวกับคนอื่น มันไม่ใช่ว่าเราจะต้องอธิบายให้ให้รู้เรื่องกันภายอืมมันจะต้องใช้เวลาอีกนะหลังจากที่เรา ความความคิดเห็นยังไม่รู้เลยเนี่ยพอเค้าใครๆเค้าได้ยินเค้าอาจจะอยากจะแชร์กับเราก็ได้ค่ะอย่าอย่าไปถามคุยใช่แต่เราก็ต้องยึดประมวลกฎหมายใช่มั้ยอ่ะอืมเพราะว่าเรามาคุยกัน ผัวมันผิดตรงไหนเมียซื้อมันผิดตรงไหนเนี่ยถูกมั้ยเค้าก็คิดกันไง 2 3 4 อีก<อ> คุณแม่แน่ใจนะว่าคุณแม่เอ่อมีความรู้ได้กว่าเท่าหางอื่นอ๋ออ่า เพราะราชสารเนี่ยเค้าก็รู้อยู่แล้วว่าเอ่อผู้มีอืมคุณจะมาขายของแข่งกับกับ ดูดีเป็นคินตันเป็นประธานาธิบดีโอ้มาตั้งห้างคินตันเค้าไปห้างคินตันหมดแทลอร์ดมันอือใช่มั้ยนี่เออใช่ใช่ก่อนนะใช่ ที่กูแม่พูดมันถูกมั้ยโอเคเราเข้าใจกูเราเข้าใจเนี่ย รูปแบบรายการเราคิดว่าคงจะเป็นหรือหรืออะไรก็ได้อ่าเดี๋ยวๆโอเค ก็คารักส่งแพนกี้ส่งเมลเข้ามาได้ที่ p a n k i z z a @hotmail.com ก็ก็ยินดียินดี ค่ะขอบคุณ <Bye bye. S 1>